สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันกันครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในสาวกของพระเยซูสาวกแท้ครั้งที่สองครับพี่น้องครับผมขออนุญาตที่จะทบทวนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะครับเราพูดถึงการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูนั้นทําอย่างไรจึงจะเป็นสาวกนะครับสาวกต้องทําอย่างนี้ครับประการแรกเขาต้องรักพระเยซูคริสต์มากที่สุด พี่น้องครับเพาราะเนะของพระเจ้าในลูกาบทที่สิบสี่ข้อยีิบหกได้บอกว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้ทั้งชีวิตของตนเองด้วยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้พี่น้องครับคนที่ติดตามพระเยซูคนที่เป็นสาวกแท้ของพระเยซูนั้นจะต้องรักพระเยซูคริสต์มากที่สุดประการที่สองครับคนที่เป็นสาวกแท้นั้นเขาจะต้องเอาชนะตัวเอง มัธถีบทที่สิบหกก็ยี่สบสี่ครับถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองประ ก, การที่สามครับสาวกแท้ของเพเยซูนั้นเขาจะต้องเลือกเอากลางเขนนะครับเลือกเอาเขนอย่างรอบขอบพี่น้องครับมัธถีบทที่สิบหกก็ยี่สิบสี่บอกว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองรับกลางเขนของตนแบกบและตามเรามากลางเขนไม่ได้หมายถึงร่างกายอ่อนแอและทุกข์ใจนะครับ แต่การเขนนั้นเป็นทางที่เราต้องเลือกเดินอย่างรอบคอบในวันนี้นะครับก็จะไปถึงประการที่สี่ประการที่ห้าประการที่หกและประการที่เจ็ดซึ่งประการที่สี่นั้นได้พูดเกินไว้ในครั้งที่แล้วนะครับคนที่เป็นสาวกแท้ของพระเยซูนั้นเขาจะต้องใช้ชีวิตของเขาทําตามพระเยซูติดตามพระองค์มัธยีบทเดียวกันข้อเดียวกันครับบทที่สิบหกกับยี่สบสี่ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองรับกางเข็นของตนแบกและตามเรามาพี่น้องครับคนที่จะเป็นสาวกของพระเยซูต้องถามตัวเองว่าพระเยซูอยู่อย่างไรพระเยซูคิดอย่างไรนะครับพระเยซูอดทนอย่างไรพระเยซูทนต่อความลําบากท่ามกลางคนที่ทําร้ายพระ อ, องค์อย่างไงทรงมีชีวิตอยู่อย่างร้อนรนรักพระเจ้ า, ย, า, ายังไงทําตามพระประสงค์ของพระองค์ยังไงยอมทําเพื่อคนอื่นยังไงรู้จักบังคับตนยังไง สุภาพอ่อนน้อมปานี้ยังไงพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับคนที่เป็นสาวกแท้พระเยซูนั้นต้องเรียนแบบพระเยซูครับต้องใช้ชีวิตของเขาทําตามพระเยซูพี่น้องครับกาลาเทปาที่ห้าข้อยีิบสองนะครับก็คือเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งเก้าอย่างเนี่ยครับเป็นบุคลิกภาพของพระเยซูคริสต์ซึ่งได้มาโดยพระวิญญาณครับพระวิญญาณทรงนําทรงสถิตอยู่กับพระเยซูเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้า เราจะเป็นสาวกแท้ของพระเยซูได้ต้องเดินตามพระเยซูต้องเดินตามทางที่พระเยซูเดินครับเราต้องให้ใครๆครเห็นว่าเราเป็นเหมือนพระเยซูประการที่ห้าครับเราต้องรักทุกคนที่เป็นฝ่ายพระเยซูครับย้อนมทที่สิบสามก็สามสิบห้าและพูดถึงทําให้เรารู้ว่าเพราะนี้จะทาให้ทุกคนรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเราเมื่อท่านรักซึ่งกันและกันโปรดฟังอีกครั้ง เพราะนี่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าท่านเป็นสิทธิ์ของเราในเมื่อท่านรักซึ่งกันและกันเป็นรองครับความรักที่นี่เป็นความรักชนิดที่เราคิดถึงคนอื่นครับคิดถึงว่าคนอื่นดีกว่าเราเป็นความรักที่กบเกลื่อนบาปได้เป็นอันมากเป็นความรักที่อดทนนานและกระทำคุณให้เป็นความรักที่มีเมตตาจิตมีความกรุณา ไม่อวดตัวไม่หยิงพยองไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ชั่งจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบทนได้ต่อทุกอย่างเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอมีความหวังจุงอยู่เสมอและทนอดทนทุกประการพี่น้องครับหากปราศจากความรัก เช่นนี้ที่เราจะต้องมีต่อกันในหมู่สาวกแล้วแล้วก็เรากาลังทำให้พระเยซูขายหน้าครับเราทำให้พระเยซูผิดหวังครับเราทำให้พระเยซูเสียพระทัยการเป็นสาวกแท้คือการถือรักษากฎแห่งความรักนะครับถือรักษากฎแห่งความรักควบคู่กันไปกับกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติหรือคำสั่งของพระเจ้าประการที่หกครับ คนที่เป็นสาวกนั้นเขาจะต้องทำตามพระดำรัสของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์คาว่าทำตามพระดารัสของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์นั้นก็หมายความว่าต้องเชื่อและทำตามครับเชื่อและทำตามไว้วางใจเชื่อฟังและทำตามเพราะเจนนของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่แปดข้อสิบเอ็ดและพูดอย่างนี้นะครับถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในธรรมของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงโปรดฟังอีกครั้ง ถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงสาวกที่แท้จริงต้องภาคเพียนพยายามครับเป็นการง่ายครับที่เราจะกระตุ้นลนในตอนแรกๆแต่การทดสอบอยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องทนได้จนถึงสุดท้ายเราจะต้องทนได้จนถึงบ้านปลายเราจะต้องทนได้ถึงบทสุดท้ายหรือ chapter the last chapter พี่น้องครับพระเยซูสอนว่าถ้าผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหลังกลับเสีย ผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าแปลว่าไม่คู่ควรครับใครก็ตามที่ติดตามพระเยซูแลว้วหันหลังกลับคนนั้นไม่คู่ควรกับแผ่นดินของพระเจ้านั่นหมายความว่าเขาไม่ได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเป็นบรดกครับเขาไปไม่ถึงความรอดไปไม่ถึงชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นคริสเตียนนั้นเป้าหมายของเราคือสาวกครับเชื่อฟังพระเยซูเชื่อฟังพระคัมภีร์ตลอดเวลาอย่างสัต์ซื่อที่น้องครับ อย่าเชื่อฟังพระ ก, กัมพีเป็นบางตอนนะครับที่เราพอใจเป็นบางครั้งบางขาวตามวาระและโอกาสพี่น้องครับการทำอย่างนี้ไม่เพียงพอครับการทาอย่างนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าเรานั้นเป็นคนที่รักษาธรรมบัญญัติอย่างครบชวนพระยาสุขให้ ต, ตั้งการผู้ที่ติดตามพระองค์อย่างเชื่อฟังโดยไม่ต้องมีคำถามเพราะเนื่องจากว่าเราไว้วางใจในการทร่งนาของพระองค์ เราทําตามพระชนะของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์อย่างตรงไปตรงมาไม่บิดผิวไม่แก้ตัวไม่อ้างเหตุผลต่างๆนาน า, นาที่เราจะทําไม่ได้ประการสุดท้ายครับคนที่เป็นสาวกของพระเยซูนั้นต้องละทิ้งทุกอย่างตามพระองค์ไปลูกาบทที่สิบสี่ข้อสามสิบสามก็เช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่ไม่ได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้ โปรดฟังอีกครั้งก็เช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่มิได้สละสิ่งสารพัด ท, ที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้บางทีข้อความนี้นะครับซึ่งเป็นพระดํารัสพัดคำตรัสของพระเยซูจะเป็นข้อบังคับของพระเยซูที่สาวกไม่นิยมจะเป็นนะครับเป็นข้อบังคับของพระคริสต์ที่สาวกไม่นิยมเป็นนะครับคือไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะทิ้งทุกอย่าง เป็นข้อความพีที differs, ่คนไม่นิยมครับพี่น้องครับคริสเตียนที่เฉลียวฉลาดก็จะยกสาเหตุข้ออ้างต่างๆมาอ้างว่าข้อความนี้ไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นพยายามที่จะตีความบิดพระคัมภีร์ครับแต่ข้อความนี้เราสามารถตีความตามตัวอักษรได้เลยใครก็ตามที่ไม่ได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของพระเยซูไม่ได้ใครก็ตามที่ไม่ได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของพระเยซูไม่ได้ ใครก็ตามที่ไม่ได้สละสิ่งสรารพัดที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของพระเยซูไม่ได้พี่น้องต้องท่องให้ขึ้นใจนะครับพี่น้องครับสาวกรับฟังอย่างร้อนรนแต่ทําตามหรือเปล่าครับเขาเชื่อว่าพระเยซูทราบว่าพระองค์ตัดอะไรไปสละสิ่งสรารพัดเขารู้ว่าหมายความว่าไงครับหมายความว่าทิ้งทุกสิ่งที่ไม่จําเป็นที่ตนเองมีอยู่เพื่อตอนจะได้ไปประกาศพระกิตติคุณเพื่อตอนจะได้รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ คนที่ทิ้งนะครับไม่ใช่หมายความว่าเขาเกียดค้านไม่ทำงานอยากจะกินข้าววัดอยากจะอยู่ที่โบสถ์เกาะกับระบบต่างๆที่โบสถ์ไม่ใช่อย่างนั้นครับคนที่ทิ้งหมดนะครับเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะครับเป็นคนที่ทำงานหนักเป็นคนที่จัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวและตนเองความปัฒนาสำคัญในชีวิตของคนเหล่านี้ก็คือว่าทำงานของพระเยซูนะครับให ก้าวหน้ารุดหน้าขึ้นไปเขาสละทุกสิ่งได้แม้กระทั่งสิ่งที่จำเป็นสาหรับชีวิตอดข้าวได้อดนอนได้อดใจที่จะไม่ทำตามความรักความชอบของตัวเองอีโก้ของตัวเองได้ไปทำงานที่พระเยซูสั่งให้ไปไว้วางใจพระองค์สำหรับอนาคตเพราะเขาเชื่อว่าเมื่อเขาสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วเขาจะไม่มีวันขาดอาหารเชื่อผ้า มโนธรรมของเขาจะไม่ยอมให้เขาเก็บเงินไว้เป็นพิเศษเพราะผู้คนกําลังตายในความบาปจะต้องเอาเงินของเขาออกมาเพื่อที่จะส่งเสริมการประกาศพระกิติคุณเขาไม่อยากเสียเวลามัวเก็บเงินอยู่เพราะจะทําให้เขาตกอยู่ในความชั่วช้าได้ตกอยู่ในความเย้ายวนของความบาปได้พี่น้องครับเมื่อพระเยซูเสด็จมารับคนของพระองค์เสด็จมารับเราทั้งหลายนะครับถึงตรงนั้นแล้วครับเราจะรู้ว่าเราเอาอะไรไปไม่ได้เลย เราก็เพียงแต่ทิ้งสิ่งที่เราเก็บไว้ตลอดชีวิตและไม่ได้มันอีกต่อไปขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะเป็นสาวกของพระเยซูอย่างแท้จริงผมจะขอทบทวนทั้งเจ็ดข้อนะครับก็คือหนึ่งต้องรักพระเยซูให้มากสองต้องเอาชนะตัวเองสามต้องเลือกกังเขนและก็แบกกังเขนของเราครับสี่ต้องใช้ชีวิตของเราทําตามพระเยซูห้า ต้องรักซึ่งกันและกันรักทุกคนที่เป็นฝ่ายพระเยซูหกต้องทำตามพระดำรัสของพระองค์อย่างเข่งคัดซื่อสัตว์เจ็ดทิ้งทุกอย่างตามพระองค์ไปอาเมน